นี่มาดูเทรคาถาเรื่องต่อไปอีกเลยนะเรื่องพัทธะมลบุตรเนี่นะพัทธะผ้ารูปเนี่ยเป็นถ้าใครอ่านพระวินัยมากเนี่ยนะท่านมีตํานานมีอะไรที่น่าศึกษาอยู่มือ ก, กันมันรูปเป็นผ้าอรหันต์อายุเจ็ดขวบนะเป็นพระพิสุตั้งอายุเจ็ดขวบเลยนะอายุเจ็ดขวบก็เป็นพระพิสุเลยเหมือ อ, อก็สมัยแรกๆเลยนะท่านเป็นรุ่นแรกๆคือเป็นรูปพิเศษไม่เหมือนคนอื่นเขอนาอะไรพระทัพมะละบุตรเทระท่านก็พาสิทิคาถานี้ไว้อย่างนี้ว่าเมื่อก่อนพระทัพมะละบุตรองค์ใดเป็นผู้อันบุคคลอื่นฝึกฝนได้โดยยากแต่เดี๋ยวนี้พระทัพมะละบุตรองนั้นเนี่ยเป็นผู้อันพระศาสดาได้ทรงฝึกฝนด้วยการฝึกฝนด้วยมักอันประเสริฐ เป็นผู้สันโดษข้ามความสงสัยได้แล้วเป็นผู้ชนะกิเลสปราศจากความขลาดมีจิตตั้งมั่นดับความเร่าร้อนได้แล้วก็คือประกาศในความที่ท่านนั้นฝึกแล้วด้วยอริยมรรตจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ดับกิเลสมีจิตตั้งมั่นอย่างแท้อย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนอื่นก็มาดูความเป็นไปของท่านนะนะความเป็นมาเป็นไปของท่านว่าอาดีตของท่านเนี่ยเป็นอย่างไร ก็ท่านนี้ก็เป็นผู้ที่บำเพ็ญบารมีมาแสนมหากัาบอีกนั่นแหละว่าพระเถระนี้เกิดในเรือนแห่งตระกูลกรุงหงสาวดีในพระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปฐุมุตระเจริญวัยแล้วก็ฟังพระธรรมเทศนาโดยในดังกล่าวแล้วในหนหลงังวันที่ฟังธรรมก็เห็นพระศาสดาเนี่ยทรงตั้งภิกษุรูปหนึ่งไว้ในตาแหน่งแห่งภิกษุผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ปูราษฎรสนะ คือเจ้าหนะ้าที่จัดตั้งเสนาสนะนะคือพามีพระคันตุกะมาจะขวนขวายในเรื่องการจัดที่อยู่ให้พระเถระเหล่านั้นนะเห็นแล้วก็เลื่อมใสาบางท่านก็เลยสร้างอธิการปราถนาฐานันดรคือตำแหน่งผู้ปูาราษเสนาสนะเป็นเจ้าหนะ้าที่แต่งตั้งเสนาจัดตั้งเสนาสนะทีนี้เป็นผู้อันพระบรมศาสดาก็พยากรณ์ก็คือร่วพระเรื่องเรื่องราวก็ร่วรัดเลยนะ ท่านก็บำเพ็ญกุศลจนตลอดชีวิตท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบวชในเวลาที่พระศาสนาของพระทศพลพระนามวากัสปะเสื่อมโทมท่านก็มาบวชในปลายปลายพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนคือพระพุทธศาสนาเนี่ยนะก็พอดำรงอยู่ระยะหนึ่งก็จะเสื่อมค่อยๆนะตามคติแห่งสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างงี้มันท่านก็ได้บวชในตอนที่ศาสนากําลังเสื่อมโทมนะซึ่งไม่ต่างอะไรจากยุคนี้นะัก ครั้งนั้นก็ยังมีคนอีกหกคนพร้อมกับท่านนะมีภิกษุอีกเจรูปอีกหรูปนะรวมกับท่านก็เลยเป็นภิกษุเจรูปเป็นผู้มีความคิดอย่างเดียวกันคือเห็นภิกษุเหล่าอื่นเนี่ยไม่กระทำความเคารพในพาศาสนาคือเห็นภิกษุรูปอื่นๆเนี่ยไม่ปฏิบัติอยู่ในศีลสมถวิปั ส, สนาตามพระธรรมคาสอนท่านเหล่านั้นก็คิดกันว่าในที่นี้พวกเราจะทำอะไรได้พวกเราจะบำเพ็ญสมณะธรรมในที่ส่วนข้างหนึ่ง แล้วจัดทำที่สุดแห่งทุกข์ท่านเหล่านั้นก็ปรารถนาที่จะบรรลุเป็นพาตอหารอย่างแรงกล้าอย่างนี้แล้วท่านก็ขึ้นผูกบันไดปีนขึ้นสู่ยอดเขาสูงก็เลยพูดกันว่าผู้ที่รู้กำลังจิตของตนของตนจัดผลักบันไดลงผู้ที่ยังมีความอะไรในชีวิตจงลงไปเสียต่อไปเราจะตัดพระองค์ชักสะพานนะนะถ้าใครอยากจะยังอะไรในเรื่องชีวิตอยู่ก็ลงไปนะนะ อย่าเป็นผู้ต้องเดือดร้อนในภายหลังเลยนั่นนะก็เรียกว่าคําเตือนสุดท้ายอ่ะนะพิกษุทุกรูปปรร่วมใจกันผลักบันไดลงแล้วก็ต่างโอวาทกันและกันว่าอาวุโสทั้งหลายท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาเทเถิดนั่นนะอย่าอยู่ปราศจากสติกันนะอบรมกรรมฐานตามคําสอนให้ดีแล้วก็นั่งในที่ที่ตนชอบใจเริ่มบําเพ็ญสมณธรรมนั่นนะบำเพ็ญไตรสิกานะโดยเฉพาะอาธิจิตตสิกากับอธิปัญญาสิกา พระเทระคือผู้เป็นประธานเนี่ยนะบรรลุเป็นผ้ารหัน์ในวันที่หเนี่ยนะปฏิบัติอดเข้ามาหวันแล้วบรรลุเป็นผ้ารหัน์วันที่หทีนั้นแหละท่านก็เลยคิดว่ากิจของเราสําเร็จแล้ว น, นะกิจ16อหกนะกิจ16ในการทําปฏิบัติอริยสัจทําเสร็จแล้วท่านก็เลยคิดว่าเราจะทําประโยชน์อะไรในที่นี้ก็ไปนําบิณฑบาตมาจากอุตรากุรุทวีปด้วยฤทธิ์เนี่ยนะก็ฉันเสร็จก็เอาอาหารมาเพื่อพระพิสูรรูปอื่นๆเนี่ยนะ ก็กล่าวบอกภิกษุเหล่าอื่นว่าอาวุโสทั้งหลายพวกท่านจงฉันบินทบาตนี้กิจ ด, ด้วยภิกษาจงเป็นหน้าที่ของเราพวกท่านจงทำหน้าที่ของตนของตนเถิดนะตั้งใจปฏิบัติกันนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะรับอาสาบินทบาตมาเลี้ยงเองเหมกันภิกษุทั้งหลายก็ถามว่าดูก่อนอาวุโสพวกเราผลักบันไดลงได้พูดตกลงกันอย่างนี้ว่าผู้ใดทาให้แจ้งซึ่งทาก่อน ผู้นั้นจงนําอาหารมาภิกษุที่เหลือจะบริโภคอาหารที่นํามาแล้วบําเพ็ญสมณธรรมดังนี้หรืออย่างไรเราทํากติกากันไว้ก่อนหรือเปลา่าว่าใครบรรลุนะจะไปเอาอาหารมาฉันอะไรเงี้ย น, นะองค์อื่นก็จะฉันอาหารองค์ที่บรรลุเนี่ยคุยกันไว้อย่างนี้ไหมพระเถระก็บอกว่าไอ้ไม่มีข้อตกลงอย่างนั้นหรอกอาภิสโซภิกษุก็เลยพูดว่าท่านบรรลุก็ด้วยบุพเพเหตุของตนแปลว่าท่านบรรลุก็ด้วยบุญของท่านด้วยการท่าพเพียรปฏิบัติของท่านอะนะ แม้พวกเราทั้งหลายก็จัะสา ม, มารถทําที่สุดแห่งทุกได้ท่านจงไปเถิดไม่ต้องนะนะไม่ต้องเนี่ยนะผมก็ปฏิบัติเอาของพวกผมได้แหละว่างั้นเถอะนิมนไปเถอะคือท่านเหล่านี้ไม่ได้สงสัยในเรื่องข้อปฏิบัติเลยเนี่ยนะคือทุกคนเรียนมาเป็นอย่างดีนะรู้ว่าอริยสัจกิจของอริยสัจเนี่ยทำยังไงบรรลุอย่างไรอะไรยังไงเนี่ยท่านเรียนมาเป็นอย่างดีกันอยู่แล้วไม่ได้ติดขัดในเรื่องข้อปฏิบัติอะไรเลยเพราะฉะนั้นจนถึงก็บอกว่านิ่มนไปเถอะว่างั้นเถอะ พระเถระเมื่อไม่อาจจะยังพิสูนเหล่านั้นให้ยินยอมได้ก็บริโภคบินทบาทในที่ที่ผาสุกแล้วก็หลีกไปพระเถระอีกรูปหนึ่งนะรูปที่สองนะก็บรรลุปเป็นพระอนาคามีในวันที่เจก็อาอาหารมาอีกเหมือนเดิมนะพิสูรูปอื่นก็ไม่เอาเพราะฉะนั้นท่านจุติจากภพนั้นนะพระอนาคามีก็ไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทาวาส ส่วนพระเทระอีกห้าองค์ที่เหลือเนี่ยนะจุติจากภพนั้นแล้วก็ท่องเที่ยวไปในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตลอดพุทธันดรหนึ่งต่างก็เกิดในตระกูลในที่นั้ น, น, นเนี่ยนะก็ไปในเทวดาและมนุษย์เนี่ยนะก็เป็นผู้มีบุญมากนะปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นหมื่นหมืนปีเนี่ยเพราะนั้นท่องเที่ยว อ, อยู่ในเทวดาเนี่ยนะได้เป็นพุทธันดรเหมงอนกันเถอะจากมนุษย์เทวดาเทวดามนุษย์เนี่ยก็เรียกว่าผู้มีบุญ ล, ละ เพราะฉะนั้นในการของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้นะอีกรูปหนึ่งมาเกิดในตระกูลในเมืองตักกศิลาในแคว้นคันธาระก็สมัยนี้ก็คือนั่นแหะแถวแถวอัฟก า, านิสถานน่ะแถวนั้นแหละไปเกิดที่นั่นอ่ะเชื่อว่าป ก, กุศสตินี่ยนะสมัยนั้นอ่ะนะสมัยนั้นท่านถ้าปกุศสาตินั่นเองนนรูปที่หนึ่งก็คือท่านพระปกุศสาติอยู่ที่เมืองตักกศิลาแคว้นคันธาระก็คือนุ่มลุ่มแม่น้ําสินธุนี่นะโน่นน่ะ อัฟกานิสถานน่นนะรูปที่สองก็เกิดในท้องของนางปริพาชิกาในมัชชันติการัตน์อันนี้ก็คือพระสพิยะนะพระสพยะในสพิยสูตรนะท่านเหลนี้ก็อดีตนักบวชเก่าเ่มกันนะรูปที่สามก็เกิดในเรือนกุดุมพีแควนพาหิยะก็คือพระพาหิยะทารุจิรยะนั่นเองรูปที่สี่ก็เกิดในสำนักของนางพิสุนีคือนางคือพระโกมารักสปะ รูปที่ห้าก็คือท่านพระทัพพระมลบรพระทัพพาราะมลบรเฮระนี้ท่านก็ถือปฏิสนธิในเรือนของเจ้ามาละก็คือชาติเชือ้อกษัตรเนี่ยนะในอนุปิยนครแคว้นมละมารดาของท่านก็คลอดลูกตายพอคือขณะที่คลอดก็ตายนะก็คือท้องโตเต็มที่ก็ตายเหมือนกันท่านก็ยังอยู่ในคันนั่นแหละเด็กเนี่ยนะก็ยังอยู่ในครันแต่แม่ตายไปแล้ว คนทั้งหลายก็นําเอาร่างที่ตายไปป่าชายยกขึ้นสู่เชิงตะกอก็ใส่ไฟทำไมนั้นก็ไม่มีสวดมีเสดอะไรตายแล้วเอาไปเผาอย่างเดียวแหละเพราะกําลังความร้อนของไฟเนี่ยก็ทําให้พื้นท้องของนางเนี่ยแตกออกเป็นสองส่วนทารกก็ลอยขึ้นไปด้วยกําลังแห่งบุญก็ตกลงที่กองไม้คนทั้งหลายก็นําเอาทารกนั้น่ะมามอบให้ยายนะ ผู้เป็นยายเมื่อจะขนานน้ำของทารกไปให้ชื่อว่าทัพพระเพราะตกไปที่เสาไม้แก่นก็เลยรอดชีวิตเนี่ยนะกระเด็นออกมาจากกองไฟเลยปะมาั้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดในชาติสุดท้ายนะไม่มีใครฆ่าตายจะด้วยเหตุผลใดจะไม่ตายถ้าชาติสุดท้ายนะถ้าไม่เป็นพระอาหารก่อนจะไม่ตายอันนี้คือหมายถึงชาติสุดท้ายจริงๆแต่ผู้มีอุปนิสัยไม่แน่นะแค่สักแต่ว่ามีอุปนิสัยไม่แน่แต่ถ้าปฏิบัติธรรมจนถึงชาติสุดท้ายแบบนี้เนี่ยยังไงก็ไม่ตาย คือพวกนี้เป็นเอตทักฆะอยู่แล้วพระพุทธเจ้าพยากรณ์อยู่แล้วว่าจะเป็นเอตทักคะเนี่ยนะคือจะต้องมาบรรลุ ก, ก่อนนอนกันเถอะลูกตายไปแล้วแต่นี้บุญรักษาเอาไว้อย่างพระภากูลเนี่ยอยู่ในท้องปลายัางไม่ตายเนะี่ยอยู่ในท้องปลาก็ไม่ตายนะแล้วก็มีอีกหลายท่านนะที่ที่ไม่ตายเนี่ยก็ด้วยเหตุผลอะไนี่ยภาษาสังกิจจะก็ลักษณะเดียวกันเนยอยู่ในท้องแม่แม่ตายเหมือนกันแต่ท่านเหล่านี้เป็นเป็นผู้มีบุญนะนะเป็นผู้ชาติสุดท้ายกัน พันบุญก็ปกปักรักษาเอาไว้ในทุกคนทุกแห่งะนะหน้าตายไม่ตายอะ่ะคืออย่าว่าเรื่องแบบหูอศัศจรรย์เนือเชื่อนะแม้กรั่งเครื่องบินตกอ่ะนะเด็กไม่ตายอยู่คนเดียวกันเลก็เป็นเรื่องน่าแปลกใช่ั้ยก็คืออันนี้สำหรับผู้มีบุญเข้าอ่ะนะก็ในวันที่ทารกนั้น่ะมีอายุได้เจ็ดขวบนะก็ เ, เหตุการณ์ผ่านไปะนะภาษาสดามีภิกษุสงฆ์เป็นบริวารสเสด็จไปยังแคว้นมละประทับอยู่ในอนุปยมอนุปยมพวัน นะก็คืออนุปยะอัมพวันนะก็อยภาคอยู่สวนมะม่วงอนะ่ะพระท่าภากุมารเห็นพระศาสดาก็เลื่อมใสด้วยอาการเห็นเท่านั้นนะความที่บุญเก่าทําไว้มากนะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วศรัทธาเลยนะความที่ชาติก่อนใช่ไหมบำเพ็ญปฏิบัติธรรมเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายเนี่ยมันอุปนิสัยที่ฝักฝ่ายในพระศาสนาเนี่ยมีกําลังเต็มที่อันพอเห็นพระพุทธเจ้าท่านก็เลื่อมใสประสงค์จะบวชก็บอกลายยายว่า ข้าพระเจ้าจากบวชในสำนักของพระทศพลยายก็บอกสาธุกันพ่อคุณแล้วก็พาทัพภะกุมาเนี่ยไปยังสำนักของพระบรมศาสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์เนี่ยจงทรงยังกุมานี้ให้บรระชาก่อนเถิดแบนั้นภาษาศาสดาก็ให้สัญญาแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งว่าดูก่อนภิกษุเธอจงยังทารกนี้ให้บรรพชา พระธีระฟังคําของภาษาสดาแล้วก็ยังทับพระกุมารให้บรรประชาบอกตาจะปัญจกะกรรมฐานก็บอกผมขนเล็บฟันหนงังนะผมขนเล็บฟันหนงังผมขนเล็บฟันหนงังนี่นะหนังหนังอะไรหนังฟันเล็บขนผมเนี่ยนะฟันหนังเล็บขนผมอ่ะนะผมขนเล็บฟันห น, นังอันนุโลมปฏิโลมเนี่ยบอกกรรมฐาน ว่าผมมีกี่รูปนะเป็นต้นนะถ้าแบบละเอียดละเอียดไปเลยนะแต่ถ้าไม่ละเอียดก็เนี่ยปฏิกูลนะผมขนเล็บฟันหนังเป็นของปฏิกูลหรือว่าผมขนเล็บฟันหนังแต่ละอย่างเป็นาธาตุเป็นอัพยากตะนิสตตะนิชีวะสุญญสภาวะเนี่ยนะพอพี่เรณาไปทีนี้สัตว์ผู้สมบูรณ์ด้วยบุรพเหตุมีอภินิหารอันกระทำไว้แล้วคือผู้มีบุญสังสมอัธยาศัยมาเต็มที่เนี่ยนะเพราะชาติก่อนนั้นอ่ะทำปริญญามาอย่างเต็มที่อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นดำรงอยู่ในโสดาปฏิพันธในขณะปลงผมเกลียวแรกเท่านั้น น, นะนะโกนแครกเข้าไปเนี่ยนะหมดไปจุกหนึ่งอะ่ะเป็นพระโซดาบันเมื่อเกลียวผมที่สองเนี่ยถูกยกขึ้นก็ดำรงอยู่ในสกัตาคามีผลเนี่ยนะจุกที่สองก็สกัตาคามีเมื่อเกลียวผมที่สมถูกยกขึ้นก็ดำรงอยู่ในอนาคามีผลในเวลาที่ปลงผมเสร็จ และการทำให้แจ้งซึ่งอารหัตผลก็ได้มีในเวลาไม่ก่อนไม่หลังกันนะก็คือแหมมีบุญมากนะเบอกว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยแค่เวลาปลงผมอะ่ะปลงผมบนศีรษะเสร็จกับปฏิบัติเป็นผ้ า, าหาันเนี่ยพร้อมกันเลยแนมะมีบุญมากนะสะสมอัธยาศัยไว้เต็มที่ละพระศาสดาเนี่ยประทับ พ, พระสําราญอมริยาบจในแคว้นมลละแล้วก็เสด็จไปยังกรุงราชคึกประทับอยู่ในพระวิหารเวลุวัน ท่านพระธรรมะมารบดีนี้ท่านก็เร้นอยู่แล้วในที่รับในกรุงราชครึกตรวจ ด, ดูความสําเร็จกิจของแห่งตนนะนะกิจ16บหกนะกิจในอริยสัจท่านดําเสร็จแล้วอย่างเงี้ประสงค์จะอุทิศกายช่วยขวนขวายกิจของสงฆ์เนี่ยนะก็คืออยากจะช่วยเหลือสงฆ์ก็เลยคิดว่าฉนัยเนาะเราพึงปูราดเสนาสนะจัดแจงพัฒนาอาหารเพื่อพระภิกษุสงฆ์นะนะก็คือเจ้าหน้าที่จัดเสนาสนะเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องอาหารให้พระภิกษุเนี่ยนะนะ ท่านก็ไปยังสำนักของภาษาสดากราบทูลถึงความปริวิตกแห่งตนภาษาสดาก็ประธานสาธุการมอบตําแหน่งปูราตเสนาสนะและตําแหน่งพัตุเทศแก่ท่านเพราะฉะนั้นคนจะมานิมนต์ก็ต้องไปนิมนต์ที่พระทะพระนันะ่นแหะพระท่พะก็จัดพระพิสุไปฉันนี่นะว่าออโยมคนั้นเขามานิมนต์ห้ารูปอะนนะท่านก็จัดให้ไปจัดโดยลําดับอันนั้นพระบรมศาสดาก็ทรงดํ า, าดริว่าพระทะพระ สัมมเนยเนี่ยยังเล็กแท้แต่ดํารงอยู่ในตำแหน่งใหญ่ดังนี้แล้วก็โปรดให้ท่านอุปสมบทในเวลาที่อายุได้เจ็ดขวบเท่านั้นเนี่ยนะให้ตำแหน่งเป็นพระพิสุไปเลยจำเดิมแต่อุปสมบทแล้วพระเถระก็จัดแจงเสนาสนะและแจกภิกษาแด่พิสุส ง, ท, งทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในกรุงราชครึกความที่ท่านเป็นผู้จัดแจงเสนาสนะเนี่ยนะก็ได้ปรากฏกระชอนไปทั่วทุกทิศเนี่ยนะาใครก็รู้จักท่านทั้งหมดนั่นแหละ บอกว่าได้ยินว่าพระทาัพพระมารบุตรเนี่ยจัดแจงเสนาสนะแกะพ่พิสูตผู้ชอบพอกันเอาไว้ในที่เดียวกันนะจัดแจงไว้นะกลุ่มนี้เป็นพระวินัยทรก็เอาพระวินัยเนี่ยพวกพระวินัยด้วยกันไปอยู่กลุ่มเดียวกันพวกนี้ธมมะะทำมกรนะึกเนี่ยนะพวกพัสดุ์ก็เอาพวกพสัสดุ์ไปอยู่รวมกันพวกนักอภิธรรมก็เอานักอภิธรรมเนี่ยไปอยู่ร่วมกันเนี่ยนะพวกเพอร์เจอร์ก็เอาพวกเพอร์เจอร์ไปไว้ด้วยกันนะนะเขจัดแจงท่านจัดเบ็ดเสร็จหมดอนะ เพราะฉะนั้นพระพิสูจนที่มาท่านก็อ ย, กอยากอยู่ที่ใกล้บ้างอยู่ที่ใกล้บ้างเมื่อไม่สามารถจะเป็นไปท่านก็นําไปด้วยฤทธิ์ด้วยนะท่า น, ท, านท่านมีฤทธิ์ใช่ไหมเป็ น, นท้าวอรหันต์นั่ง7ขวบเนี่ยท่านย่อย่นระยะทางได้อะไรได้ท่านทําได้หมดครั้งนั้นพิสูจทั้งหลายขอให้ท่านพระทัพพระมาละบทเนี่ยจัดแจงเสนาสะนะทั้งในเวลาทั้งนอกเวลานะทั้งเรียกว่าบางทีก็มาดึกดึก ด, ก ด, ก ด, ก ด, กดกึ้นดะึ้นยังไงนะ บอกอยากจะลองดูฤทธท่านนะบางทีก็มาดึกเที่ยงคืนนะ่ะมั้งนั่นนี่มนช่วยจัดเสนาสนะให้ผมน้อยอย่างเงี้ยนะก็บอกว่าอาวุโสท่านจงจัดแจงเสนาสนะในชีวกรรมพวันวิหารโน่นโอโหอยากจะอยู่นู่นสวนหมอชิวชีวกนั่นแหละมั้งั่นอีกพวกนึงบอกว่าจัดเสนาสนะในมัทกุจิมิกระทายวันให้แก่พวกเรานะโอโเลือกวัดนะนะอยู่วัดนู่นบ้างไปอยู่วัดนี่บ้างบางทีมากันเป็นกลุ่มอนะขออยู่กันสองาวัดอย่างเงี้ย น, นะ เจ้าหน้าที่คนเดียว่ทําไงเพราะฉะนั้นท่านทัพาพระมาะบุตรก็เนรมิตกายสําเร็จด้วยมโนมยิจฉิให้ภิกษุที่เหมือนตนเนี่ยแต่ละรูปแต่ละรูปไปเนรมิตตัวเองให้สมมุตินะอยากอยู่ห้ากลุ่มใช่ไหมก็เนรมิตร่างกายตัวเองให้หองค์อ่ะไปคนละองค์คนละองค์เป็นเจ้าหนะ้าที่ไปจัดแจงให้เบ็ดเสร็จหมดอะ่ะแบ่งภาคอย่างนั้นนะแบ่งภาคพาไปสู่กุฏิท่านก็เดินนําหน้าเนี่ยนะใช้นิ้วมือเนี่ยที่เรืองแสงแทนตะเกียงงานะนะ ใช้สมัยก่อนไม่มีไฟฉายใช่ไหมก็ใช้นิ้วนี่แหละเป็นไฟฉายส่องพาไปหมดอ่ะก็เลยบอกกนะันนี้เตียงนี้ตังค์หลังนั้นจัดแจงเสนาสะนะแล้วก็กลับมาอยู่ที่อยู่ของตนนะรายละเอียดเรื่องนี้ก็มีอยู่ในอัตถกถาพระวินยัยนะเออไม่ใช่ในในพระวินัยปิฎกในมีทีตอนหลังในเวลาต่อมาพระาศาสดาประทับนั่งในถ้ำกลางหมู่พระอริยสงฆ์แต่งตั้งพระเถระไว้ในตําแหน่ง เลิ่ดกว่าบรรดาภิกษุผู้จัดแจงเสนาสนะด้วยพระดำรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระท่าพระมรบุตรเลิ่ดกว่าภิกษุสาวกของเราผู้จัดแจงเสนาสนะเลิ่ดในทางจัดแจงที่นั่งที่นอนเนี่ยที่เลิ่ดนั่นแหละพระทัาพรามรบุตรเนี่ยท่านก็กล่าวประวัติของท่านเนี่ยนะอัประทานคือเหตุของท่านที่ท่านได้ทำบุญไว้ในปางก่อนว่า พระพิชิตามานพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกทั้งหมดเป็นพระมุนีมีพระจักสุได้เสด็จอุบัติขึ้นในกับที่แสนแต่พระตกับนี้ไนไะก็เรื่องเมื่อแสนกับที่แล้วอนะพระองค์นี้ตรัสสอนทำสัตว์ให้รู้ชัดยังสรรพสัตว์ให้ข้ามวัฏะสงสารพระองค์เป็นผู้ฉลาดในเทศนาเป็นพระพุทธเจ้าผู้เบิกบานทรงยังสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นสงสารพระองค์นี้เป็นผู้อนุเคราะห์ทรงประกอบด้วยพระกรุณา สแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลแก่สรรพสัตว์อย่างเดรัจฉีที่เข้ามาเฝ้าทุกคนให้ดำรงอยู่ในศีลห้าเรียกว่าพวกลัทธิอื่นาศาสนาอื่นมาสอนให้ตั้งอยู่ในศีลห้าได้หมด น, นะพระพุทธเจ้าพระ อ, องค์นี้เมื่อเป็นเช่นนี้พระาศาสนาจึงหมดความอากูลว่างศูนย์จากเดรัจฉีและก็วิ จ, จิต ด, ด้วยพารอหารผู้คงที่มีความชำนิชำนาญในฤทธิ์เป็นต้น พระมหามุนีคือพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยสูงห้าสิบแปดศอกมีผิวพันธุ์งดงามคล้ายกระทองคําอันล้ําค่ามีลักษณะอันประเสริฐเหมือนกับมหาบุรุษเนี่ยนะมาพุทธลักษณะสาสิบสองประการครั้งนั้นเหล่าสัตว์เนี่ยมีอายุไขประมาณแสนปีพระชินสีพระองค์นั้นก็ดํารงอยู่ตลอดการประมาณเท่านั้นทรงอย่างประชาชนเป็นอันมากให้ข้ามโพ้นวัตตะสงสารไปได้นะ พระเจ้าช่วยสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นจากวัตฏะสงสารไปหมดะนะะเมื่อแสนกับที่แล้ว้ของเราตอนนั้นไปอยู่ที่ไหนนะเราไม่ได้ข้ามเลยนะก็ยังค้างเติงมาจนถึงทุกวันนี้อีกนี่ก็จะปลายปลายาศาสน ق, แล้วจะค้างต่อไปอีกมั้งเนี่ย น, นะเหือนเลยแต่ว่หลบอยู่ที่ไหนคนระั้งนั้นเนี่ยเราเป็นบุตรของเศรษฐีผู้มีโยตใหญ่ในกรุงหงสาวดีเข้าไปเฝ้าพระองค์งผู้ส่องโลกให้สว่างทั่ว นะพระพุทธเจ้านี่ส่องโลกให้สว่างใช่ไหมส่องอะไรส่องให้เห็นนรกคือนรกเปรดอสุรกายสัตว์เบริชานโลกมนุษย์เทวดาพรหมโลกส่องแม้กระทั่งข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงโลกทั้งมวลแล้วก็ส่องแม้กระทั่งข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นโลกเพรา ะ, ราะนั้นพระองค์ได้ส่องสัตว์โลกให้มีสติมีปัญญาสว่างสวยไปหมดเพราะฉะนั้นเศรษฐีบุตรคนนี้ได้สดับพระธรรมเทศนาอย่างนี้ เราได้ฟังพระดํารัสของพระบรมศาสดาผู้ตรัสสรรเสริญสาวกของพระองค์ผู้แต่งตั้งเสนาสนะให้พิสูจนทั้งหลายก็ชอบใจก็เลยทําอธิการแด่พระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พร้อมทั้งพระสงฆ์แล้วก็มอบลงแทบพระบาทด้วยเสียงกล้าวปรารถนาฐานันดรนั้นเจ้าหน้าที่ผู้แต่งตั้งเสนาสนะเนี่ยนะครั้งนั้นพระมหาวีระเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงพยาการกรรมของเราไว้ว่าเศรษฐีบุตรนี้ได้นิมนต์พระโลกนายกพร้อมทั้งพระสงฆ์ ให้ฉันตลอดเจ็ดวันเขามีดวงตาดุดกลีบบัวมีจ ง, งอยบ่าเหมือนราชสีมีผิวพันธุ์ดุดทองคำมอบอยู่แทบเท้าของเราปราถนาตำแหน่งอันสูงสุดในกับที่แสนแต่กับนี้พระาศาสดาพระนามว่าโคดมผู้สมพบในวงของพระเจ้าโกกาการาชจากเสด็จอุบัติขึ้นแล้วในโลกเศรษฐีบุตรนี้จะได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นน่ะโดยปรากฏชื่อว่าทัพพระ เป็นภิกษุผู้เลิศฝ่ายเสนาสะนะปัญญาประกะคือเจ้าหนะ้าที่ผู้แต่งตั้งเสนาสะนะเนี่ยนะเหมือนปรารถนาหมายความว่าปรารถนาเช่นใดก็จะสำเร็จเหมือนันด้วยกรรมที่ทำไว้ดีแล้วและด้วยการตั้งเจตจำนงเอาไว้เราละร่างกายอันเป็นของมนุษย์ก็ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงเราได้เสวยเทพสมบัติในเทวโลก300อครั้ง ได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิห้าร้อครั้งเป็นพระเจ้าประเทศราชอันภัยบูนโดยขนานับไม่ได้เพราะกรรมนั้นน่ะนำไปเราจึงมีความสุขในที่ทุกสถานนะผู้ที่ทําบุญไว้แล้วก็มีความสุขใช่ไหมนะอยู่ที่ไหนก็ยังมีความสุขนะนี่น่าเชื่อนะของเรามาอยู่ในป่าขนาดนี้ยังมีไฟฟ้าใช้เลยนะคิดดูนะแสงว่า ม, มีน้ํามีไฟมีอะไรใช้อะนะนี่ขนาดว่าบุญกระต๊อกะกระแจ๊กธรรมดาเนี่ยก็ยังได้ใช้น้ําใช้ไฟนะถึงขนาดนี้นะ เนี่ยถึงป่าขนาดนี้มีม้งลวดอยู่อะคิดดูอันผลของบุญเนี่ยอยู่ที่ไหนก็ไม่เดือดร้อนใช่ไหมว่าอยู่บนยอดเขายังมีน้ำดื่มเหมือนกัน น, นะในกับที่เก้าสิบเอ็ดแต่พัทธกัปนี้พระผู้มีพระภาคผู้เป็นนายกพระนามว่าวิปัสสีผู้มีพระเนตรงามทรงเห็นแจ้งทาทั้งปวงได้เสด็จอุบัติขึ้นถอยหลังจากนี้ไปเก้าสิบอ็ดกัปเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีทีนี้ท่านก็ เมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็ประกาศธรรมใช่ไหมก็มีสาวกของพระพุทธเจ้าสมัยนั้นเนี่ยอายโยนิโสมนสิการมันเกิดนะนะโธสระเกิดเราเป็นผู้มีจิตขัดเคืองได้พูดตู่สาวกของพระพุทธเจ้าผู้คงที่พระองค์นั้นหาเรื่องพระอรหันต์นะนะชาตินั้นนะทําบุญไว้ยเยอะนะแต่ว่าพลาดมามาหาเรื่องกับพระอรหันต์ผู้สิ้นอาสวะทั้งปวงแล้ว ท, ทั้งทั้งที่รู้อยู่ว่าท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หาเรื่องว่าไป กล่าวตูว่าท่านมีเมียมีลูกมีเมียเนี่ยไปมั่วเรื่องสีกาเป็นต้นเนี่ยนะหาเรื่องอ่ะก็รู้อยู่ไม่ใช่หรอกนะหาเรื่องลและเราเนี่ยจับสลากได้แล้วก็ถวายข้าวสุกที่หุงด้วยน้ํานมแก่พระเทระทั้งหลายผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพวกแก้วกล้า ก, กว่านรชน์คือไอ้ที่กล่าวตูพระรหารว่ามีเมียเนี่ยท่านก็ว่าบุญก็ทําอ่ะหาเรื่องก็หานะบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปนะ ก, ก็แยกกัน พระองค์นั้นแหละในพัทธกับนี้พระพุทธเจ้าผู้เป็นผงพันแห่งของพระพรหมเนี่ยนะมีพยศใหญ่ประเสริฐกว่าวินยูชนพนามวาักัาปะอันนี้ก็ถอยหลังมาในกับนี้กับคือพระพุทธเจ้าองค์ที่แล้วเนี่ยนะเสด็จอุบัติขึ้นพระองค์ก็ยังศาสนาทาให้รุ่งเรืองคมขีเดรัีผู้หลอกลวงเสียทรงแนะนำเวนยศัตร์แล้วเสด็จพระนิพพานพ ร, พร้อมทั้งพระสาวก เมื่อพระโล ก, กนานถะพร้อมทั้งภาษาวกปรินิพานแล้วครั้งนั้นเมื่อศาสนาธรรมกําลังจะสิ้นศูนย์สิส้นอันตรธานถวยเทพและมนุษย์พากันสลดใจสยายผมมีหน้าเศร้าคร่ําครวญว่าดวงตาคือพระศาส ร, รมจักดับแล้วเราจะไม่ได้เห็นท่านผู้มีวัดอันดีงามทั้งหลายเราจะไม่ได้ฟังพระศาส ร, รมโอ้เนอพวกเราเป็นคนมีบุญน้อยเนี่ยนะคือศาสนาจะอันตรธานใช่ไหมศาสนาจะหมดไปจากโลกอ่ะนะ เทวดาและมนุษย์คบเดือดร้อนใจว่าจะไม่เห็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบาศาสนาจะหมดแล้วนอก็ร้องให้เสียอกเสียใจกันเนี่ยนะครั้งนั้นเมื่อพื้นปฐพีทั้งหมดเนี่ยทั้งใหญ่ทั้งหนาก็ได้หวั่นไว้สันสะเทือนเหมือนสเหมือนสมุทรสาครเหือดแห้งแม่น้ำครวนคลางน่าสงสารเนี่ยนะ อมนุษย์ตีกลองดังทั่วสี่ทิศฟ้าผ่าอสศนีบาทอันนากลัวตกลงมาโดยรอบอุกบาทตกลงมาจากท้องฟ้าดาวหางปรากฏเกลียวแห่งเปลวไฟก็มีควันพวยพุ่งหมู่มรึกคือหมู่เนื้อกร้องควรคลางอย่างน่าสงสารคือนิมิตของศาสนาจะหมดะ น, น, นะโลกมันวุ่นวายปันป่นป่วนไปหมดเลยเท่านั้นครั้งนั้นเราทั้งหลายเป็นภิกษุรวมอยู่เจ็ดรูปด้วยกันได้เห็นอุบาทอันร้ายแรงแสดงเหตุว่า พระศาสนาจะสิ้นศูนย์ก็เลยเกิดความสังเวชพากันคิดว่าเว้นพระศาสนาเสียไม่ควรที่เราจะมีชีวิตอยู่นะถ้ายังไม่มีทําหมดคําสอนนะไม่รู้จะมีชีวิตอยู่ทําอะไรวะงั้นเราทั้งหลายจึงเข้าไปสู่ป่าใหญ่บําเพ็ญเพียรตามคําสอนของพระชินสีเพราะเขาเรียนพระไตปรปิฎกปข้อปฏิบัติเป็นอย่างดีเนี่ยนะก็เลยเข้าป่ากันขึ้นยอดเขา ครั้งนั้นเราทั้งหลายได้พบภูเขาหินในป่าสูงเลี้วเราได้ไต่ภูเขาขึ้นทางพระ อ, องค์นนะทำพระ อ, องค์ขึ้นอนะ่ะแล้วก็ผลักพระ อ, องค์ให้ตกลงเสียครั้งนั้นพระเถระได้ตักเตือนเราว่าการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าหาได้ยากอีกประการหนึ่งอันนะัข้อแรกก่อนนะสิ่งที่หาได้ยากหนึ่งนะพระพุทธเจ้าเนี่ยอุบัติขึ้นยากข้อสองศรัทธาที่บุคคลหาได้ที่บุคคลได้แล้วหาได้ยาก นะผู้ที่จะมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นของยากนะสพระศาสนายังเหลืออีกเล็กน้อยนะแล้วก็บอกว่าผู้ที่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปเสียจะต้องตกลงในสงสารสาครเนี่ยนะก็ต้องตกลงในวัฏฏทุกข์อย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะนะถ้าใครปล่อยปล่ปลอยเวลาสาอย่างนี้ให้หมดไปนั่นะหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดในโลกสองที่จะมีศรัทธาแล้วก็สมอายุศาสนาเนี่ยไม่นานจะหมดแล้วนะว่างั้น ก็เหมือนเรานี่แหละมาอีกรอบใหม่มาเจออะไรบ้างนะอย่างมากถ้ามาเจอโบสถ์ก็จะดีแล้วที่ยังเห็นโบสถ์บ้างเห็นวัดร้างเต็มไปหมดนะเหมือ น, ไ, อ น, นไปอินเดียเนี่ยไปอินเดียก็คือไปเห็นวัดร้างอไปดูวัดร้างนะตอนนี้เป็นอย่างนั้นเมืองไทยเนี่ยถ้าไม่ศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนก็จะเหมือนอินเดียนะวัดร้างทั้งนั้นแหละเหมกันเพราะฉะนั้นพวกเราควรกระทาความเพียรตลอดเวลาที่พระาศาสนายังดํารงอยู่เถิดครั้งนั้นพระเถระ ก็ได้เป็นพระอรหรันต์พระเทระอนุเทระนะรูปที่สองก็ได้เป็นพระนาคามีพวกเราที่เหลือจากนั้นะ่ะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ประกอบด้วยความเพียรจึงได้ไปยังเทวโลกองค์ที่ข้ามสงสารคือพระอรหันต์ก็ดับขันปริญญานิพานแล้วอีกองค์หนึ่งเกิดในชั้นสุดทาวาสส่วนพวกเราอ่ะนะส่วนเราทั้งหลายคือเราคือพะทธพะมรบุตรรูปที่สองก็คือพระปุกุศาติรูปที่สาก็พระสพิยะรูปที่4ี่พระพาหิยะ รูปที่ห้าก็พระกุมารกัสปะก็เกิดในที่นั้นอันพระโคโดมบรมศาสดาทรงอนุเคราะห์จึงหลุดพ้นไปจากเครื่องจองจําคือวตัตตะสงสารเนี่ยนะรูปที่เป็นพผ้านาคามีอยู่รูปเดียวคือปุกุสาตินะรูปที่เหลือเป็นผ้าอรหันต์หมดเลยทีนี้ท่านก็เล่าว่าตัวท่านนี้เกิดในมรลกษัตริย์ในพระนครกุศินาราเนี่ยนะมลรคสัตรย์ก็กุศินารานะตอนนี้ก็อยู่รัฐอุตรประเทศ เมื่อเรายังอยู่ในคันนั่นแลมารดานได้ถึงแก่กรรมเขาช่วยกันยกขึ้นสู่เชิงตะกอนเราตกลงมาจากเชิงตะกอนก็ตกลงไปในกองไม้เพราะฉะนั้นก็เลยชื่อว่าทัพพระด้วยผลแห่งการประพฤติพรหมจรรย์คือประพฤติดีปฏิบัติชอบตามอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เนี่ยนะเรามีอายุเจ็ดขวบก็หลุดพ้นจากกิเลสด้วยผลที่ถวายข้าวสุกผสมน้านมเนี่ยนะก็คือเอาข้าวสุกผสมน้านมอ่ะคือหุงข้าวด้วยน้านมอ่ะนะ ไม่ไม่ใช้น้ำหง่ะใช้นมหงเหาือนนเราจึงเป็นผู้ประกอบด้วยองค์ห้าด้วยบาปเพราะกล่าวตูพระขีนาศนะนะขนาดเป็นผ้าหัน์น่ยนะย้อนไปบาปที่สมัยไปดา่าไปโจดผ้าหันในในศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามวิปัสสีเนี่ยนะก็ถูกคนโจดมากมายนะี่นะในในพระมีสิกขาบทสองท่านเลยนะที่บอกว่าโจดประราชิกอันหามูลไม่ได้ หาเลสอื่นเนี่ยโจดด้วยบัตรปราชิกเนี่ยนะพวกนี้นคือพัทธพาธเนี่ยถูกโจดอยู่หลายครั้งด้วยกันบัตรนี้เราล่วงบุญและบาปทั้งสองได้ทั้งสองอย่างได้แล้วได้บรลุบรมสันติธรรมคือนิพพานเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่เราแต่งตั้งเสนาสนะให้ท่านผู้มีวัดอันดีงามทั้งหลายยินดีพระพิชิตตมานคือพระพุทธเจ้าทรงพอพระทยในขุนข้อนั้นจึงได้ทรงตั้งเราไว้ในตาแหน่งเอตทะคะ เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบึ้นได้หมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกได้แล้วเป็นผู้ไม่มีอาสะวะอยู่การที่เราได้มาในสำนักของพระพุทธเจ้าของเราเนี่เป็นการมาดีแล้ววิชาสามเราได้บรรลุแล้วโดยลำดับคาสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทำเสร็จแล้วคุณพิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์อภิญญาหกเราทาให้แจ้งแล้ว คำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้กระทำเสร็จแล้วเนี่ยนะที่กล่าวไปก็คือเป็นข้อความนะมาจากคัมภีอัปทานทีนี้พูดถึงบา ป, ปรกรรมของท่านนะ่ะนะที่ท่านได้กระทำไว้ด้วยสา ม, มารถแห่งการกําจัดพระเถระผู้เป็นพระขีณาศพรูปหนึ่งในการก่อนคือหาเรื่องนะซึ่งเป็นเหตุให้ตัวท่านเนี่ยก็หมกไห่้อยู่ในในรกหลายแสนปีนะสมัยที่ไปโจดพระรสารไว้ในชาตินั้นอนะ่ะอันมีมาแล้วเหมือนพิสูจนชื่อว่าเมตยะกับภูมิมชกะ ที่ถูกเตือนด้วยกัมมะปิโลติกายะเนี่ยนะจริงๆก็ไปเดินตามข้อปฏิบัติที่ท่านเคยทำมานะไปโจทย์ผ้าหันตกนรกเนี่ยคนอื่นก็มาเอาเรียนแบบอีกนะก็คือประวัติศาสตร์มันจะชอบซ้ำรอยใช่มซ้ำๆซ้าๆกันอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นท่าน เ, าเข้าใจผิดว่าพวกเราถูกพระเถระทำให้แตกกับเครือหา บ, บดีชื่อว่ากรลายานพัติยะจึงได้กาจัดเสียด้วยปราชิกอันหาหมูลไม่ได้ พระทาภะเนี่ยถูกโจดด้วยอบัติปราชิกหามูลไม่ได้ทั้งๆที่ท่านเกิดมาเนี่ยโอ้ยแม้แต่ฝันยังไม่เคยเลยเหมือนกันนะนะฝันเกี่ยวเรื่องพันนั้นยังไม่เคยมีเลยอ่ะเพราะฉะนั้นก็ยังมาโจดท่านนะนะเพราะฉะนั้นท่านก็เลยให้ระงับอธิกรณ์ด้วยสติวินัยเรียกว่าต่อไปนี้ห้ามใครไปโจดท่านเพราะท่านถือว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์แล้วเพราะวมีการตั้งสวดยติกรรมกันพระเทระเมื่อจะประกาศคุณของตนเพื่ออนุเคราะห์สัตว์โลกจึงได้กล่าวคาถาว่า เมื่อก่อนพระทัพพระมาลบุตรองคใดเป็นผู้อันบุคคลอื่นฝึกได้โดยยากแต่เดี๋ยวนี้พระทัพพระมาลบุตรองค์นั้นน่ะเป็นผู้อันภาษาสดาได้ทรงฝึกฝนด้วยการฝึกฝนด้วยมรคอันประเสริฐเป็นผู้สันโดษข้ามความสงสัยเป็นผู้ชนะกิเลสปราศจากความขลาดมีจิตตั้งมั่นดับความเร่าร้อนได้แล้วเนี่ยนะก็พูดถึงตัวท่านเองนะว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ฝึกได้ยากมากนัน คือไม่อาจจะฝึกได้เพราะอะไรเพราะความคิดเนี่ยถึงความดิ้นรนแห่งจิตที่เคลื่อนไปมาด้วยความเมาอะนะก็จิตของผู้ที่ไม่ฝึกเนี่ยดูด้วมันดิ้นรนนะนะวัน ว, น, วนหนึ่งไปที่ไหนบ้างอะนะมาอยู่ป่าขนาดนี้มันก็ยังไม่ค่อยอยู่นิ่งอะนะไปเที่ยวไปเรื่อยนะนะั่นแหละผลของกิเลส ท, ที่เป็นข้าศึกคือทิฐิและความไม่สงบแห่งอินทรีย์ทั้งหลายเนี่ยนะผู้ที่ไม่ได้ฝึกเนี่ยโอ้ยกิเลสพาวุ่นวายไปหมดอะ ตอนนี้ท่านก็ฝึกแล้วใช่ไหมฝึกด้วยอารยมรักอันเลิศคือสูงสุดนะนะใช้อารยมรักเป็นเครื่องฝึกสมควรกล่าวได้ว่ามีตนอันฝึกแล้วด้วยการฝึกด้วยมรักอันประเสริฐนะสมควรจะกล่าวได้ว่ามีตนอันฝึกแล้วเพราะไม่มีสิ่งที่จะต้องฝึกไม่ใช่ฝึกด้วยอย่างอื่นนี่หมายถึงฝึกด้วยอารยมรักนะเพราะฉะนั้นอันพระพุทธเจ้าผู้เป็นสารธีผู้ฝึกบุรุษที่สมควรฝึกเนี่ยฝึกได้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ท่านก็เป็นผู้สันโดษสันโดษด้วยปัจจยัยตามมีตามได้สันโดษในฌานสมาบัติสันโดษในฌานสมาบัติชอบคืนเข้าฌานบ่อยๆแล้วไม่ปรารถนาจะให้คนอื่นรู้เรียกว่าสันโดษและด้วยสันโดษในมรรคผลเนี่ยนะสันโดษในปัจจยัยสันโดษในฌานสมาบัติสันโดษในมรรคและผลก็คือเป็นพระอรหันต์นั่นเอง ท่านข้ามพ้นความสงสัยสิบหกอย่างนะเช่นสงสัยในอดีตห้าสงสัยในอนาคตหสงสัยในปัจจุบัน5้าหรือสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในสิกขาในอดีตอนาคตสงสัยในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยท่านละด้วยโสดาปติมัคหมดแล้วเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ชนะแล้วชนะสังกิเลสเนี่ยนะชนะตัณหามานะทุจริตกรรมกิเลอสอกุศลเนี่ยท่านละได้หมดไม่มีเหลือ เป็นผู้ที่ปราศจากภัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านไม่ต้องกลัวอบายทุกติวินิบาตนรกอะไรอีกต่อไปแล้วเพราะท่านพ้นแล้วนะพ้นจากราชภัยโจรภัยภัยทุกชนิดไม่มีเหลือท่านปรินิพานแล้วด้วยกิเลสปรินิพานเนี่ยนะตอนที่บรรลุเป็นพระฐานเขาเรียกว่าสัพปาทิเสสนิพานตอนที่จะดับขันปรินิพานเขาเรียกว่าอนุปาทิเสสปรินิพานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแต่คําพูดที่กล่าวที่บอกว่า เป็นผู้ดับอ่ะนะดับตัวนั้นเป็นชื่อของนิพานเนี่ยท่านนิพานด้วยสัพปาที่เสสนิพานเพราะว่าท่านละปะหาตประธรมรมทำที่ควรละนันะนะคือทำที่มรรคเนี่ยละได้บทเด็ดขาดหมดแล้วนะเช่นอวิชากับภาวะตันหาเนี่ยละไม่มีส่วนเหลือเลยนะบทว่าทิตตโตคือจิตมั่นคงไม่สะเทือนด้วยโลกธรรมนะนะคงที่ทั้งอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีอิทธารมณิฐารมณ์เนี่ยท่านคงที่มั่นคงหมดอะ่ะ นไม่มีฟุบไม่มีฟูงั้นเถอะไม่มีฟุบไม่มีฟูนะ ม, ม, มีจิตดำรงมั่นอยู่ในศีลสมาธิปัญญาโดยเฉพาะดำรงอยู่ด้วยมหากิริยาจิตเนี่ยนะจิตของพระอรหันต์พระธรรมมาลาบทนี้เป็นผู้อันบุคคลอื่นสอนได้ยากคือพูดถึงเมื่อก่อนนะนะแต่อันท่านพระศาสดาเนี่ยฝึกแล้วด้วยการฝึกด้วยมักอันสูงสุดเป็นผู้สันโดษข้ามความสงสัยได้แล้วชนะกิเลสปราศจากความลาด เพราะฉะนั้นพัทธะมารบุตรนั้นะ่ะจึงดับกิเลสได้แล้วต่อแต่นั้นก็เป็นผู้มีจิตมั่นคงนะมีจิตตั้งมั่นทําจิตให้เลื่อมใสายปรินินภานนั้นะ่ะที่มีมาแล้วอย่างนี้ไม่ใช่ทําจิตให้เลื่อมสายอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพระเถระจะอนุเคราะห์สัตว์เหล่าอื่นผู้ที่จะตรัสรู้เพราะการแนะนําของผู้อื่นจึงพยากรณ์อรหั ต, ตผลเนะก็คือเท่ากับเตือนว่า อ, อย่ามาหาเรื่องอะไรกับท่านเลยท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านนํากิจจบแล้วนะ เรายัมหาบาปเข้าตัวเลยาก็เตือนคนอื่นด้วยแล้วก็เท่ากับแนะนำผลแห่งการปฏิบัติด้วยเพราะว่าผู้ที่ฝึกตัวเองด้วยฝึกด้วยอริยมรรคอะนะก็คืออบรมอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาอธิปัญญาสิกขาพันอย่างเราทั้งหลายเนี่ยแต่ละวันนี้ก็มันที่จะปารถถึงสิกขานะสิกขาไหนบ้างอะนะสีลเช่นถ้าสมาทานศีลก็พยายามนึกถึงศีลก่อน นนะการนึกถึงศีลรู้ศีลเห็นศีลพิจารณาศีลอธิษฐานจิตให้เป็นไปกับศีลน้อมจิตไปด้วยศีขาเป็นต้นอันนี้ก็เป็นศีขาเนี่ยนะว่าเป็นศีขาพราหมันที่จะน้อมจิตไปในศีขานนะทั้งอธิจิตแต่ิีขาที่ปัญญาสศีขาปัญญาเนี่ยพิจารณาน้อมไปถ้าน้อมไปในศีขาสามเนี่ยนะว่าเอาศีขาเหล่านี้ตั้งอัธยาศัยเพื่อบรรลุมรคผลเนี่ยนะเจริญกุศลแต่ละอย่างก็ตั้งไว้เลย น, นะจงเป็นไปเพื่อ อ่นว่าอาศัยวิเวกอาศัยวิราฆาอาศัยนิโรธาน้อมไปเพื่อการสละนนะสนเนี่ยนะกุศลศีลเนี่ยที่อบรมอะจงเป็นไปเพื่อละกิเลส ท, ทั้งโดยต่ทางฆาปะหารสมุทเชธาปหา ร, าหารจงเป็นไปเพื่อแทงตลอดอริยสัตว์เนี่ยนะเพั้นกุศลที่เราบําเพ็ญเนี่ยน้อมไปอย่างนั้นเนี่ยน้อมอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยนะก็ในที่สุดถ้าไม่ประมาทในธรรมวิไ น, นัยนี้ก็ทําที่สุดแห่งทุกข์ได้จริงๆอย่างพระทัพพระมารุบุตรเป็นตัวอย่างเนี่ยนะ